อิท่าในตัสสะปะกวัตุตอราหาตัตุสัมมาสัมพุทธสัสสะปริภานุปัายะตุเวสะสังวัชรุตระปัญจสตาธิการิทุเวสังวัชระ จะสานิอตทิกันตาณิปจุปนิการวเสนาพุสิกาญาณมัสสะเอกวิสติมังทินังวารวเสนาวันะวุฒวาโรโหติเอวังตัสสะก็คือวาตูปริญพานาศาสนาโยกาเดชะนันายสันละเคตภัยตี <c oughs> อยู่ปามมัสสุพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระพิคิตตมานราหันตัสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้นสองพันห้ารอยยี่สิบสี่พรรษาประตายุมันในสมัยพฤศจิกายนหน้าเมมาช้าถิ่นที่สิบเอ็ดวันพุทธวันนี้เป็นปัจจุบันวาน <c oughs> พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้านั้นมีนายะอันพุทธบริษัทเจพึงกำหนดนับได้ด้วยพระกการะชนีนักโมทตาปะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมทสา พุทโธอะระหะโตสมัยสมพุทธสัจนะโมตสัจพ <t> ุทโตอะระหะโตสมัยสมพุทธสัจธรรมจักกะปวัตนนำหิอาทิงกตวานีณโอกาสบัดนี้อาตมาทั้งสองรูปจะแสดงพระธรรมเทศนา ในปฐมสังคีติกาถาเป็นบูชาได้พีัศตนาเพื่อเป็นเพื่องโสสงองค์สัทธาบารมีที่บรรดาท่านิสราทานะบ่อดีทั้งหลายมีคุณโยมเติอทเจจิมกีเป็นประธานพร้อมบรรดาบุตรหลานญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเลื่อมใสในคุณโยมน้อยบุญญานยคุณโยมพ้อยบุญญา้อย จึงมรณภาพาไปแล้วนั้นบัดนี้ท่านหลายนำเชื่อจำศักษ <c oughs> ิีรีละคือว่าศพของท่านเครื่องตั้งไว้เป็นเป็นสการะบูชาแสดงถึงความเคารพนับถือในความดีของท่านเป็นว่าองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสัญญาสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าบุคคลที่มีความกตัญญูรู้คน บุคคลใดบุคทราบหรือว่าบุคคลใดท่านทาความดีไว้กับตนแล้วสนองคุณท่านด้วยความดีอย่างนี้สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นยอดเขาคนดีตามพระำบาลีว่านิมิตตังชาตรูปานังกตัญยุกต เ, เวทิตาเป็นต้นรวมความว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนมีท่านเจ้าภาพเป็นประธาน พร้อมทงบุตรทำหลาในได้ยากมิตรประกอบกิจกองการกุศลในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นโดยในการในตอนแรกด้วอารัจนาพระสงฆ์ในพุทธศาสนามาสวดพระวิษณ์ทั้งเจดจ์จพียงสำหรับพระวิษรมทั้งเจดจ์จพียงนี้ก็มีอนิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษอนิสงส์จะมีมากเพียงใดจะ <c oughs> ขอยกไว้กล่าวในเวลากุชาและวิสัญนา ต่อด้านมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยชุนนามีท่านาพระเป็นประธานได้ดีนมนได้สงในพุทธศาสนามาฉันพัตนาหารจัดเป็นสังฆท า, านาั้งสองเวลาคือหนังเช้าและคืนหลังจากนันไปแล้วในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีท่านาพระเป็นหัวหน้าให้มีพระธรรมเทศนาสองธรรมะคือเรื่องเทศยนแจงและวัตถุมสังคาร ย, ยนา เป็นการประกาศพระศาส น, นาเพื่อข้อวัดปฏิบัติขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จัดเตรีในสงใหญ่เพราะว่าการให้ทำเป็นทานน้สัยองค์สมเด็จไปจอมไตรบริบาศาสดาถึงกับว่าสัพทานนางธรรมทานนางทินาติซึ่งแปลเป็นใจความว่าการให้ทรมาทำเป็ น, า น, น, น, าานทานยมชนนัตถทานทั้งปวงวงความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำรุนแล้วแต่ความดี โดยการเทศประถมสังคายนาวันนี้จะเลือกมาจะพศจะเคาะกล่าวใจความโดยย่อเรื่องปฐมสังคายนาเช่นก่อนสําหรับการสวดต้นที่นัยก็ดีพระพรก็ดีพระอภิธรรมอินิก็ดี <c oughs> การสวดนี้จะยกไว้ในตอนท้ายเมื่อเทศจบความเป็นมาในประถมสังคายนาก็มีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมม า, าสัสมสพุทธเจ้าทรงบรรลุอริยสิกขาสมาสัมพุทธิยานแล้ว สมเด็จพระปฏิบัติกา ร, ระศาสนาทั้งว่าั ร, รมวินยัยที่เวลาสี่ปีห้าปีได้มาตอนท้ายมาเป็นมายุแปสิปีองค์สมเด็จพระจินทร์รีบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าก็พระเด็จเข้าสู่ขันธท้ปรินิพานตอนที่ยังนิพานนั่นองค์สมเด็จพระพุทธกวนบรมศาสนดาจ ต, ตุว่าหลังจากเรานิพานไปแล้วไม่นานนะัก พระมหาหาัสศพจะเป็นผู้นำในการทำมาสมปสังขยานาคือร้อยกรองรมาทำมาอยู่ในไว้เป็นแบบเฉี่บบการมาองค์สมเด็จตระสงสมาสมเด็จเจ้าสุนิพานาไปแล้วนั้นไม่ช้านานเท่าใดนักปรากฏวันหลังจากออกครรัางแล้วสาวกผู้ใหญ่ขององค์สมเด็จพระบาทที่แก้วคือพระมหาหัสศพก็ทำมาสมประสังขยานาในกรุงรัชคะคือมหานคร เวลานั้นรายกฏว่าพระมหากษริย์เป mm <Bueno> ็นผ <ema> ู้มีหน้าที่ในการถามเป็นประธานพร้อมปด้วยพระสงฆ์500ร้อรูปอารหารทั้งหมดและก็มีสาวกองค์สําคัญขาเอาคุมเด็จพระบรมวงศ์เขาคือพระอุมาลีเป็นผู้ศิสัญนาในด้านพระวินัยยปีดกและก็พระอนนท์ได้อารหารแล้วในการนั้นเป็นผู้วิศัญนาในด้านพระสุตตรยปีดกและวิธรรมปีดก เมื่อจบลงแล้วก็ปลายกฏว่ารวบรวมพระธรมรมอินัยได้ทั้งหมดแปดหมื่ น, น, 42, น, นสีส่พันปฐมคันเป็นพระวิดธรรมที่สี่หมื่นสองพันปฐมคันเป็นระสูตรที่สองหมื่นหนึ่งพันปฐมคันเป็นพระวินัยที่สองหมื่นหนึ่งพันปฐมคันก็รวมความว่าการเทศในการสัพเพตายคราวนั้นใช้เวลาเจปีเจดเดือนและเจดวัน ยังได้หมดประทมนสังขยาดาเรื่องราวประทมะสังขยาดาก็จบตรงตรงนี้ต่อจากนี้ไปจะมาภาพกับท่านพระครูวิชานชัยคุณวัดปากครองมาขามเท่าท่านมีตำแหน่งมากพระองค์นี้เป็นเจ้าอาวาส ด, ด้วยเป็นเจ้าอาราวาสด้วยเป็นเจ้าวัดด้วยเป็นสามตำแหน่งแล้วก็เป็นเจ้ากณะอาเภอด้วยไปเกี่ยวกับตำแหน่งเนี่ยหลับปุงยัง อาตำแหน่งอะไรมาไหนขาดตำแหน่งไงอุปราชอ๋อเป็นพระกัญชัยเมืงตำแหน่งอ๋อคุยกันนักกัญชานะนี่หนึ่งเป็นเจ้าวัดท่านดํารงตําแหน่งเจ้าวัดเพื่ดูแลงานวัดทุกอย่างเรียบร้อยรับผิดจะไม่มีการรับชอบในเจ้าวัดแต่เป็นเจ้าวัดนี่ด่าดะไม่ว่าหมูหมาด่าตะพุ่งนี่เรียกเจ้าวัดคนก็ด่าหมาก็ด่า ดีไม่ดีตัวเองยังด่าเดินไปเอาเท่าเตะตะปูด่าตัวเองเอาเสือสาเห็นไหมอีตอนเป็นเจ้าวัดเนี่ยนอนหลับใครทําอะไรไม่รู้เรื่องตําแหน่งที่สามแล้วก็อีตําแหน่งหนึ่งท่านกระเจ้าเป็เจ้าหน้าอําเภอวัดสิงแล้วก็เป็นพระกัญชาพระทอดพระอุปชานะลวมความมาตําแหน่งหน้าที่ทั้งสามตำแหน่งแต่องค์นี้เคยกัดเออไม่ใช่เคยเทศมามานานเสือไป แต่วเวลานี้อาจะมาเลิกเพศมาสิบปีแล้ววันนี้ไม่แน่จะสู้ทันได้หรือไม่ได้ในเมื่อบุกมาถึงรังของเราเนี่ยมันได้ย่าโยมทันหลายสู้ได้หรือไม่ได้มันก็ต้องสู้ใช่ไหมขึ้นชื่อว่าลายสีต้องรักษาแหล่งไม่ใช่หมารักษาท่อมนะเดี๋ยวหันมาตลกเราหมารักษาท่อมก็รวมความว่าวันนี้การเพศปุชาวิสัญนาคําว่าปุชานี่ครับแปลว่าถาม อีสัจนานี่ก็แปลว่าตอบก็เป็นหน้าที่หน้าธมมาจากท่านพระครูวิชาญเชียคุณสําหรับเรื่องราวในปฐมสังขยาดานี่ความจริงจะเทศกันตรงไหนก็ได้เพราะมีเรื่องราวที่จะเทศกันทั้งหมดได้แปดมื่นสี่พันประการขันแปดหมื่นสี่พันเรื่องแต่วันนี้ถ้าเทศกันทั้งแปดหมืสี่พันเรื่องต้องคงจะไม่มีเฉพาะหยกศพกุญยมห้อยเพราะจะมีศพพระเทศอีกสองศพ ก็นั่งฟังอีกหลายสิบศพและคนนั่งฟังอีกหลายสิบศพเป็นอั้นว่าไม่มีใครเผาใครใช่ไหมก็จริงจะขอนำเอาสูตรพิเศษมาเทศกันโดยเฉพาะสำหรับพระสุตัานิพีิฎกนี่พระพุทธเจ้าทรงเทศไว้สองหมื่นหนึ่งพันหัวข้อและสองหมืนหนึ่งพันเรื่องแต่ว่าวันนี้จะเทศเรื่องที่สองหมืนหนึ่งพันสิบเอ็ดหนไหมอาจารยครู เป็นสูตรพิเศษหรือว่าสูตรยอมห้อยหรือว่าถ้าอยากจะกล่าวกันในภาษาตลาดว่าสูตรห้อยหรือว่าห้อยสูตรสูต ร, ต ร, น, ตรนี่ก็ว่าเรื่องเป็นเรื่องของคุณยอมห้อยเพราะว่าคุณยอมห้อยนี่มีปฏิประทาเป็นกนรณีพิเศษมากบรรดาท่านผู้ต บ, บริษัทที่อยู่ไกลอาจจะไม่ทราบเหตุกลายคว่ารตั้งแต่ต้นมาในสมัยรัชมาลยุนอยู่วัดประครามคาเท่าอยู่กับเจ้านั้นน่ะที่ไหนเข า, น า, นาหน้าดีจะทะเลาะกันเ น, นี่ย <laughs> โยนั่นมาท่านกับทำบุญทำกุศลจิตใจขอยงท่านเป็นมหากุศลตลอดมาเป็นว่าคําวาจาใดที่ตัดที่กล่าวไว้ว่าจะช่วยก็ไม่เคยขายมาถึงวาระแห่ง ก, การบําเพ็ญกุศลตายบนหนดต้องทําครบถ้วนทุกอย่างถือว่าผู้มีศัจธรรมเป็นพิเศษกันมาอยู่ที่วัดปากันมาอยู่ที่วัดท่าซุงนี้ทั้งก็ตามมาตรอเวลาแต่เรื่องอย่างนั้นถือว่าเป็นเป็นนักบุญธรรมดาแต่ว่ามีความดีเป็นพิเศษก็มีสัจธรรม มีสัจจะตรงไปตรงมาตามการตามเวลาจริงๆอันนี้คนสรรเสริญพระเจ้าทรงทร ง, งสรรเสริญมากและวข้อสำคัญที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงบางท่านยังไม่ทราบก็คือเวลาป่วยป่วยมากก็ดีป่วยน้อยก็ดีสติสมัมปชัญญะเขาคงย่ยมน้อยคงจะไ ม, ม่้อยนี่ไม่เคยขายในบางครั้งหายใจลมหายใจเผือบเจียขาดเกิดจะไม่รู้สึกตัวถ้าคนธรรมาดา ถ้าไปถามเขาว่าเวลานี้จิตมีความต้องการอะไรท่านยาตอบโยมสมเด็จการค้นหนึ่งเห็นพระกําลังไหว้พระแ ล, ะะวล้วบริการอีกสองจิตต้องการพรนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียวคือเห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าดีกัหมายที่นิพพานแล้วจิตใจเวลานั้นท่านลืมตายมาท่านยาตอบได้ทันทีว่าเวลานี้ต้องการพรนิพพาน ถามว่าโยมมีความอะไรในขันห้าไหมท่านบอกไม่เคยมีความสนใจเลยขันห้านี้ไม่ดีขันห้านี้เป็นภยัยนี่ระบดาดท่านพุทธบริษัททั้งหลายอารมณ์ใจแบบนี้องค์สมเด็จพระกินาสีบรมัสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป<ๆ>็นผู้มีสติสมบูรณ์ในเวลาที่กําลังป่วยไข้ไม่สบายนอนเงียบสงับคล้ายๆอการใกล้จะตายแต่ปรากฏว่าเจ๊กิมกีก็ดีคนหลายคนก็ดีโหหลายครั้ง เป็นนั้นด้วยเวลาที่ท่านทำผ้ามันจะหมดลงลงไปทุกคนร้องให้กันถ้าจะมามองเห็นที่ไรก็ดีใจทุกทีคาว่าดีใจในที่นี้เพราะว่าทราบจริยาของจิตดีว่าจิตของโยมค่อยสว่างสวัยมากในเมื่อจิตทรงทาอยู่อย่างนี้และตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสมมาพุธเจ้าก็มีอยู่ คือว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงมีชีวิตและก็เรือปรากฏว่ามีท่านธรรมิกะอุมบาศเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แบบนี้ท่านหนึ่งและก็โดยนายกสกีเทิดบูดาเทิดิดาผู้มีกิตกัจจะในภูศลอย่างหนึ่งที่ท่านหนึ่งและก็ดันโคโคดีกะผู้มีความเปลียดในร่างกายท่านหนึ่งทั้งสามท่านนี้มีอริสง์โดยรวบก็เหมือนกันคือสุคติโลกสวรรค์ สุกติแต่ว่าการไปไม่เสมอกันท่านโคดิกะไปทิ่ผานและก็ท่านธรรมิกะอุมาสกไปสวรรค์ชั้นดุสิตสาธกีเทพจิดาไปสวรรค์ชั้นดาวดีแต่เรื่องนี้ข้อความละเอียดเป็นอยเป็นประการใดเขมวันดาโดยพุทธบริษัทธ์นลายฟังตอนบุชาวิสุนานต่อที่ไปกับผมก็ขอรัตนาบระคุณาท่านพระครูวิชานทลเคุณได้โปรว ดำเน you ินเรื่องสกวาทีต่อไป้วยคุณเจ้าค่ะนะโมตัสสโควาโตอระหาโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะโควาโตอรหะโตสมมาสมพุทธา นาโมตัสสะพุทโตุอรหะตุัมมาดัมพุทธะอะทาโคตระวาตระวาทายายโยปันหังกินเต็โตสัพสะวัจนงปุจจตุตีต วาละนีอาตมาภาพได้รับพรัธนาตากจากพระคุณเจ้าผู้เป็นพระศักวาทยาาจารย์มีพนักงานในการที่จะรักใจแต่ถามข้อความในเรื่องธรรมิกะอุบาสกและหลายอุบาสกด้วยกันว่าจะมีเนื้อความเป็นประการใดเรื่องสั้นๆแต่ว่า เมื่ออธิบายเขาแล้วท่านทั้งหลายจับความให้ดีๆท่านจะได้กำไรไม่ใช่น้อยอันนี้อาตามาก็รับหน้าที่เป็นพระว่าพระวาทยาจารมีพนักงานในการที่จะแจแจงแสดงไขไปตามเนื้อความตามคำพีที่จำได้และเข้าใจตามนั้นมาและสององค์จะช่วยกันประครับประคองสนองศรัทธา ท่านพุทธมณฑลทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาฉะนั้นเมื่อพระสักระบาลวัตยาอาจารย์นับหน้ามีแคนนี้แล้วจึงได้เปิดโอกาสให้พระสักระวาทยอาจารย์ผู้มีพนักงานในการจะจับ้แต่ถามตามโอกาสและเวลาที่พระคุณเจ้าจะถามมาด้วยนั้นเถิดพระคุณเจ้าข้าเอ อ, อย่างนี้ก็แหละเทศตีไม่สั้นนะ วันนี้หากิงกันในทางตีไม่สั้นไพอตีไม่ยาวไม่ได้ไไดแก่เท่าเดกั น, นสองทัวร์แล้วโ<ย>อ้คโหจริงถ้าเท่กันก็ต้องใช้รำปรณคาถาเสียสามสิบนาทีแลอ้องค์ที่สองก็ดําเนินเรื่องอีกสามสิบนาทีแล้วองค์ที่หนึ่งกลับว่าอีกสิบห้านาทีเสียเวลาเปล่า ว, วันนี้ก็เท่กันตามใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่ที่ไหนไม่ช้าอาลับพระคุณเจ้าข้า ที่มาพบกันวันนี้เพราะว่าเจกิมกีกยอมเต๋อราธนาหมายเทศเรื่องโยโมยม่ห้อยตายผ ม, มอยากจะทราบว่าไอ้คนที่อยาตายอยาตายที่มันตายเขาเห็นอะไรกันรับถามได้ดเอาก็ถามได้ไม่เท่ห้ามเลยนะถามได้ว่าคนที่จะตายจะตาย <c oughs> ม, มาจากเรื่องอะไรเออยก็สิ <c oughs> ก็ไอเรื่องอะไรมันก็เรื่องของคนเริ่มหายใจมันก็มีเรื่องอไม่ให้ไม่มีเรื่องอะไรแหมนี่เทศหากินรอยเดียวกันนะอผมเคยไปเทสที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่เขาบอกก็ถามว่าคนทำไมยิงตายเต็มธรรมะไม่เหตุสีข้อใช่ไหมใช่ผมก็ตอบอย่างที่เมื่ครูบอกมันไม่หายใจไม่ใช่เขาบอกว่าพิษเขาผิดแล้วก็แก้ว่าอย่างไงรก็ว่ามาบอกแกนั้นไม่ถูกอ่ะถ้าอย่างอื่นมันหมดไปถล่มหายใจยังอยู่มันก็ตาย มันไม่ตายใช่ไหมใช่ท่านลมหายใจหมดไปมันก็ตายนี่ท่านพูดท่านตอบถูกมายอมนะเป็นั้นว่าที่คมายมห้อยตายนี้ท่านมาครูท่านบอกว่าหมดลมหายใจตายเอ๊ะเจ้าคนกันนะแล้วอยากจะทราบว่าไอ้กฎที่ทําให้คนตายคนที่เกิดมาเพื่อตายคนมาอาศาายัยอะไรเป็นเหตุจึงเกิดความโอ้โหแหมอีข้อนี้เขาใหญ่ถามจำได้เมื่อก่อนจะเกิดอนะนี่เข า, ขาเรียกเาเรียกว่าละโศกคิดนึก S <S แล้วก็<อ>วิจารณ์ไรยานอยู่ในเรื่องนี้อจึงมีถามว่าคนที่จะตายจะตายมันมีกฎอะไรที่ให้จะต้องตายอย่างนั้นเหรอครับอ้าวเอมันอกของมันก็มาคุณเจ้าบอกเห็นเธอาดิอัดเทพว่าไปทั่วไปหมดไปเยอะไปเทศไปไปอะไรก็อันนี้จังคือไม่แน่เที่ยงอจะเป็นทุกข์ มันเพื่อนพวงมันไปมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันก็แก่มันก็แตกสหลายไปเพราะว่าตัวนี้กดอันนี้นะบะคุณเจ้าไม่แต่พวกเรารพวกสัตว์เลยฉานและรวพวกวัตถุทั้งนี้นรกแล้วพวกพรหมพวกเทวดายัางเสด็จเลย ไปไม่หลอดเราจะบอกแล้วก่อนออตายไปกันตายเท่าเราเนี่แหละอธิไายความตัวเกิดทําให้แก่ใช่ไอ้ตัวเกิดทําให้ป่วยใช่ตัวเกิดทําให้ตายยังไงไอ้ไอ้ตัวอะไรมันทําให้เกิดล่ะไอ้ตัวกรรมมันเดียวกับคนเจา้ากรรมอะไรกรรมซ้ายกรรมขวาอกรรมอะไรมันก็มม <laughs> หากว่าจะยับล้วก็เอาหมัดซ้ายมัดซายก็ถ้าถ้จะน็อกละน็อกละถ้าจะน็อกเต้องใช้หมัดขวาพี่นักมวยเลยเจ้าเมื่อจ้าพลาดนักมวยพี่นี้ก็เสกนักมวยเออเดี๋ยวดีวิธียับเป็นยับยังไงน็อกนอกยังไงอ้าววิธีนะแล้ว่าคุณเจ้าเราก็รอให้หลงซะก่อนเอมาหลงทางแล้วเราก็ดักต้อน่เธอจะเอาต้อนเอาแบบไหม่ก็เอาได้เราบอกวิธีคร่าวๆดิยำอันนี้นะที่พอคุณเจ้าต้องการถาม อะไรนะถามใหม่อีกเทีถามไอตัวที่เปนเกิดแก่เจ็บตายนะไอตัวที่จะทําให้เกิดอะไรมันทําให้เกิดโอ้ต่อให้ดีนะไอดีนี่นี่นี่นี่มันมีไอตัวดีเกิดนะชาที่ไปทุกขาชรลาไปทุกขามานจานำไปทุกขังไอที่ไม่เกิดมาแล้วแก่ไอที่เกิดมาแล้วใช่ไหมไอก่อนที่จะเกิดก็คือก่อนที่จะเกิดนะมันก็ถือ ไอ้ตัวที่เราทำได้กายเดวะจาแล้วก็ได้ใจทำใหญ่ ก, กุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอภยาตาธรรมะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออเดี๋ยวก่อนอ้าวเดี๋ยวอธิบายสารธรรมก่อนทำได้กายทําด้วาจาทำใหญ่ทได้กายทาไงอ๋อทำได้กายเนาะมันถอนจะไม่ยากอะไรแล้วมันดีก็มาแล้วก็่ทำได้กายมันก็ไดยกว่า เราฆ่าดัตัดชีวิตตัวเป็นในจำตายแ ล, แล้วหลบยิดจับขยับยกของคนอื่นเคลื่อนที่มันเป็นของตัวเอย่างนี้สิ่งมาทำด้กายน<อ>ะไอทำให้จมจันจะไม่ยากอะไรแล้วก็ด่าโคตรพ่อโคตรแม่ไม่ให้พังกกมันจะไม่ยากอะไรกันแล้วยังเจ<ล>้ า, าจว่าถ้าตกครองคงเท่าใเห็นไหมถนัดนักงยืนลงถนัดเออเรย่างเช่นไรแล้วเ<อ>ลเื่อนซ้ำในใจเราก็คิดอาฆาตพยายามบานจองเวรจองกรรม ไม่บุคคลอื่นนะสัตว์อื่นเขาเ อ, อนี่นะ อ, ออะไรเราทาไม่ <า S 1> ดีเดี๋ยวนี่หมายความว่าการทําได้กายคือปฏิ<ช>กิรายาทุจริตนะช่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพฤติกรรม น, นี่แนี่แหละทำในด้านความไม่ดีอันนี้ไป็เหตุให้เกิดนะใช่การทําได้วาจากว่าจ า, า, จาชั่วเป็นเหตุเกิดอีกใช่ทําได้ ใ, ใจคือ น, นิจชั่วเป็นเหตุให้เกิดแต่โรงความและวักนึจชั่วตัวเดียวกายว่า ชั่ววาจาก็ชั่วใช่ไหมชั่วหมดเลยมันอยู่ที่ใจรวมความว่าคนที่จะต้องมาเกิดก็อยู่นี่เวียนว่ายใจเกิดในวัตตะก็เพราะอาศัยอโกศลกรรมนั่นนั่นนั่นนะพระคุณเจ้าเอออโกศลกรรมกรรมชั่วเป็นเหตุให้ดึงตัวเรามาเจอแหลกที่ผมทอดเปิ้ลตะเกี่ที่พระคุณเจ้าทักกันาเออเขาบอกโกไอสองกรัมกรัมครึ่งในพวกนี้ถ้าเกิดทุกคนถ้าไม่เกิดหมดใช่เนี่ยอมเนี่ยยอมวันนี้ไม่ได้ฟังแต่เทศนะดูโขนด้วยนะเอาท่าแล้ว วันนี้ได้ํำไรใช่ใช่เปราะว่ากิเลสตัณหาป่าทานในอุสนกรรมทำห้เกิดนั่นก็อันนี้มันเป็นอย่างนี้อีกอันนะครับผมขอเติมอีกตัวงนะครับอวิชามันทำให้เราไม่รู้จักของจริงแล้วก็กิเลสเรับเป็นขุนซะอะไร และตัญหามันทยานอยากไม่มือจกพอมันจะเต็มมือจะอิ่มครับแล้วอุปาทานจะจะได้เลยหลงงมหลงไงถ้าดูไปยุทธว่าไอ้นนท์ก็กู้ก็จะเอาไอ้นี่ก็กู้ก็จะเอาเลยไม่ปล่อยไม่ละไม่หวานสักทีไอ้สี่ตัวสี่สกูลนี่เนี่ยพระคุณเจา้าเฮ้ยมันทําหมูสับให้ตองละหกละเหินเดินเรียกว่ตาตรละครับก็รู้ความว่าสี่ตัวนี่สรุปแล้วทําให้ใจชั่ว ใช่วาจาชั่วนั่นแหละไม่กายชั่วนั่นแหละบา<อ>งอย่างที่ท่านาครูบอกว่าเขาก่อนเข้าใจชัดง่ายกว่านะใช่แล้วว่าทารายงานพูดกิดทั้งเหตุบางทีคนที่ฟังนี่เป็นนักปราชญ์ก็มีอยู่ใช่และหาว่าไม่เอาธรรมะขาเอาสมเด็จพระอรหัต์ครูมาเที่ยวกันใช่ตอนนี้ในเมื่อคนเราจะต้องอาศัยกินเลวกันหาวปลาทานในกุศลกรรมเพื่อวิชาเขาครอบงำจิตยิ่งไม่เหตุเทศทําชั่วพูดชั่วและคิดชั่วเนะ เนื่องจากอยากจะดูยกตัวอย่างอย่างคุณยมน้อยเนี่ยจะเป็นคนมีศักยธรรมยมห้อยเนี่ยเป็นคนมีศักยธรรมใ ช, ใช่ไหมท่านพระครูก็รู้ในสมัยที่อยู่ว่าผมอยู่วัดประกองคำเท่าด้วยทั้งที่ผระครูและที่ผมถ้าวาระใดที่คุณยมห้อยบอกว่าจะต้องไปหาต้องไปทําบุญทำสังเวยเวลานั้นต้องตรงเวลาฝีงใช่ไหมใช่ที่นี่เป็นศักยธรรมนะแล้วก็มาตอนหลังนี่มคุณยมห่อยแก่แก็จะใกล้จะตาย จิตใจสนในธรรมมากเงินเดือนได้จากลูกที่มรณะภาพไว้เท่าไรทําบุญหมดไม่เหลือตัวได้เป็นเงินเดือนมาเท่าไรทําหมดไม่เหลือไว้่อน่งสตังนอกจากนั้นท่าลูกหญิงลูกชายลูกสะภ้ายลูกเคยให้มาเท่าไรไม่เคยประลากถึงเรื่องตัวเลยตั้งใจทําบุญอย่างเดียวไอ้เจตนาของท่านที่ทําบุญมีเจติญาคล้ายสายตะกียที่มีญายากจะทราบว่าไอ้เจตนาทํามูลตัวนี้เป็นปัจจัยเกิดสวรรค์ไม่เกิดตรกครับ อันนี้เหรครับอันนี้มันเป็นเจตนาทําบุญนะเป็คุณเจ้าบุญนาถีครับแล้วมันมีดีกระชั่วใช่ไหมใช่ไหะเดี๋ยวบุญมีทั้งดีทั้งชั่วเหรออะมีด้เอ๊ะที่บุชั่วเป็นไงบุญดีเป็นไงบุญชั่วเหลอครับวดทอของคุณเจ้ารู้จักน้อยไปทท้สิยังไม่รู้จักเลยไม่ใช่น้อยยังไม่รู้จักเลยใช่จะบอกใครเอมีบุญชั่วดีครับอะไรก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่สร้างโบสถ ข้าพเจ้าจะไม่สร้างเสลาคการข้าพเจ้าจะไม่สร้างเสดีใช่ไหมก็แต่เปล่าแต่เรียอะไรมาฆ่ารถมั่งแล้วก็ฆ่าเราที่กินมั่งข้าวหารในระหว่างทางมั่งเอาบุญบังหน้าเขาไว้เข<อ>้าใจไหมล่ะอ่าอ่าอย่างนี้แหละเขาเรียกไปเรียกว่า บ, บุญชั่วเบุญชั่วเลยไปเดี๋ยวก่อนไอป้ปฏิปทาจางเลียบวิธีวัดปลักครองขันเท่าเใช่ไหมอันนี้เหรอ ในสมัยผมไม่มียังตจองไปดูยังไงไม่รู้ลยรรีบหลบ <S 2> <S 2> ไ, มไม่รู้ไม่รู้เรื่องไปยังไงไม่รู้นะใช่แต่เคยเห็นเขาเคยเห็นเขาครั บ, บ, บ, บนี่นี่นี่นี่นี่ยังย้อมห้อยนี่มัใช่อย่างนั้นแกมีตัวจาระคือเป็นนักเสียสละในทางด้านกายแล้วก็ท่านด้านวัตถุของแกนะด้านกายจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแกไปในมน อผมเลยก็ท่านมหาเนี่ยประจำทุกปีเลยเฮ้ยนะกับกั บ, บ, บถึงปีก็ต้องมาให้แกอีปีไหนก็ไม่รู้ผมก็ดันลืมก้แล้วก็ดันไปเทรกที่ไหนก็ไม่รู้อีปีนั้นแม้อุตส่าห์ทอกายไปต่อว่าถึงวัดก็เกิงง่ายจะดีใจทำไมไม่ไปให้ฉันแล้วมนันเอาให้พรไปแถนจะได้ เ, เนี่ยเอานี่บอกว่ายอม ฉันเองก็ไม่ได้ไม่ได้โดนฉีซะแล้วก็ลืมซะด้วยไอตัวลืมนี่โยมก็ต้องให้อภัยชนะไม่ให้อภัยไม่ได้หรอกแกบอกแกจะไม่ให้จะไม่ให้อภัยอันนี้ก็เลยพูดไปพึดมาว่าโยมไม่ใช่ว่าฉันจะลืมคนเดียวนะโยมคนลืมนะ่ะใช่ไหมโยมจะมาผูกมัดฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันเกิดมาฉันจริงฉันเสียทุกวันเนี่ยก็เพราะตัวลืมนี่แหละแตาฉันไม่ลืมสติฉันต้อง ทัดิฉันไม่คลองเรอกฉันก็เป็นพระอราหันน่ะสิยอมก็นีชฉันมันยังเป็นพระปุถุชนมันก็ต้องลืมมั่งกันที่แลกันก็ยอมเป็นพระอราหันนึกไงล่ะถึงจะจะได้ไม่ลืมเท่านี้แหละแกก็ยอมอ่าแกยอมอันนี้นะ่ะอ่าท่านมหาถามอย่างนี้รู้สึกว่าประชาชนทุกคนหอยแค่หัวใจนทีนาอ่าเรื่องใจจิตใจจอ่อเรียกว่าจิต ไปผูกมัดอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลกุศลตัวนี้ที่เรียกว่าอุศลาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลกุศลตัวนี้นี่ก็แปลว่าคนผู้ฉลาดคนผู้ไม่หลงรลกตายไม่หลงกอดวัตถุตายคนที่หลงกอดวัตถุถึงจะมีเงินสักร้อยล้านหรือพันล้านก็ไม่มีประโยชน์สาหรับเขา เพราะเขาเข้าใจเพียงว่าเป็นของเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่ของเขามันเป็นของกลางกลางแม้แต่ตัวเราเองนิท่นานมหาเราอาศัยเนี่ยปู่ยา่าตา ย, ยายเลยโยมเราถ่ายทอดมาให้ อันนี้เราก็มันมันก็ไม่ตกดูด้าบังคับของเราเราก็บังคับมันไม่ได้มันก็ต้องแก่มันไปเป็นธรรมดาธรรมดาผมไม่เท่าไรแล้วท่านมหาเจ็ดสิบแล้วจะไปแล้วจะย่อมแล้วนี่รําด้วยถ่ายภาพยนตร์ไม่แม่ให้ดูให้ดูให้ดูพูดให้ดูนี่เอาเรื่องมาเป็นอย่างนี้เขานี่ยหากว่าจิตของคนเรารู้จักอยังยอมห้อยเคยถามผมเรื่อยเลยครับคุณ ไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยของฉันที่มีเนี่ยฉันจะขายมานันได้หมดไม่ให้ลูกให้ตาแล้วจะจะไปทําบุญบอกเราทําได้โยมเราขายได้แต่ลูกเขาจะติดเอานะในฐานะเราเป็นพอ่อเป็นแม่เราเราให้เลือดให้เนื้อเขาแล้วให้กําเนิดเขาแล้วให้การเรียนดูเขาแล้วให้การอ่านติช่าเราเรียนเขาแล้ว แต่เรามีอะไรบ้างเงินทองควรจะให้เขาบ้างหรือบ้านเรือนอะไรควรจะให้สิ่งที่เราเอาไปไม่ได้เราให้เขาที่ไอสิ่งที่เราเอาไปได้เราเอาไปนี่แกก็เชื่อเชื่อผมทันมหาแกก็เดินเดินน้วแก้วยมานี่แกมีอารมณ์คือแกยุตแตลว่าท่านมหาตรงนี้นะทายุทธบุญครับครับครับบุญก็แต่งไอยมห้ยไปเกิด ทำไมเป็นเทพพบุตรก็เป็นเทพอธิดาครับครับชายุทธบาปถ้าทำบาปเคยฆ่าตัดตัดชีวิตมาอย่างที่ผมเคยเมื่อก่อนผม อ, อยู่ภูไทท่ทานว่าผมกำลังเป็นมหาอยู่เป็นอะไรนะเป็นมหาคุณไวไปดูซิ <laughs> <laughs> ไออย่างอ่นี้ น, นี่ไอไอไอที่เขา ไอ้ที่คลองอีเติมน่ะอ oh. เขามีการผูกคลองกันอ oh. นะแต่ว่าคนนั้นผมยังจําชื่อไม่ลืมนะท่านมหา <c oughs> ผมลืมอะไรแล้วเป็นไงเลยชื่ออะไรชื่อตาหอมอ๋อไม่ใช่ชื่อท่าน ง, งาเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ท่ <c oughs> านงาชื่อตาหอมเร <c oughs> ื่องเป็นอย่างงี้ไอ้คลองอีเติมเนี่ยปลามันชุมคร <c oughs> ับครับครับและถึงปีเขาก็ผูกคลองอีเติมคอเติมกัน แล้วแกก็ได้ปลาใช่ไหมแล้วพอหมออีปีนั้นน่ะลูกชายแกก็บวยแล้วเมื่อลูกชายแก บ, บวยแล้วคนนี้ก็เรื่องจากว่าแกก็ไม่สบายดีอายุมันสูงแล้วนี่ก็หกสิบแล้วนี่หกสูงแกก็นิมนต์พระลูกชายแกให้ไปบ้านว่าโยมไม่สบายผมก็พลอยไปกับเขาด้วย